วันนี้เป็นวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2553ขึ้น15ค่าเดือน2การอุปถัมภ์พระถาต พ, พ, พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาของพวกเราวันนั้นหลวงพ่อก็เป็นห่วงเป็นห่วงครูบาอาจารย์พระเสระที่อยู่ห่างไก ล, ลหรือว่าธรรมมิกที่อยู่ห่างไกลบางคนบางท่านกขว่า หลวงตาจะไปยุ่งอะไรท่านมากมายนักนา อ, อท่านเข้าไปท่านก่อนนั่นแหะท่านก็อยู่ตามลําพังของท่านถ้าหากว่าพวกเราคิดอย่างนั้นทุกคนนะคนนี้ก็คิดเอ้าเป็นหน้าที่ของคุณนั้นคนนี้กันอ้าเป็นหน้าที่ของคุณนั้นจะไม่มีใครมาเฉลยอันนั้นถูกต้องไหมอันนี้ถ้าหากว่ามามาบารุงมะตุ่มกันจนเกินไปอันนั้นก็ไม่ถูกต้องอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นศิษยานุศิษย์องค์หลวงตาใช้สติใช้ปัญญาในการดูแลอุปธรรมประถาบในการป่วยขององค์หลวงตานะอย่างอาตมาภาพก็เหมือนกันที่พูดอย่างนี้นะแต่บางท่านญาติโย บ, บางคนที่อยู่ห่างไกลก็คงหลวงพ่อเอ็นอยากดังกัมัจะมาพูดชี้แจงใน ไอ้วิทยุให้แก่ศรัทธาญาติโยงฟังแต่ไม่ใช่นะอาตมาพูดตามความเป็นจริงเพราะอาตมาที่จะพูดขึ้นมานี่ยคิดแล้วคิดอีกสรรหาคําพูดนะสรรหาคําพูดจะทํำยังไงจึงจะไม่กระทบกระเทือนชุมชนสังคมไม่กระทบกระเทือนต่อผู้ได้ยินได้ฟังก็สรรหาคําพูดมาพูดไม่ใช่ของสรรหาได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างภาพป่ า, ปาย่างอาตมานี่นะอย่างอาตมาภาพเป็นภาพป่าปายนีงง่ จะสรรหาคำพูดมาพูดให้แก่ชุมชนสังคมฟังเนี่ยเป็นเรื่องหนักใจของหลวงพ่ออย่างมากเลยว่างั้ น, นแต่ทำยังไงได้นะแห เ, เพื่ออยากจะชี้แจงให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังอาการของหลวงตานะและก็พร้อมกันนะนทีนี้นะหลวงพ่อเองก็อยากจะถามศรัทธาญาติโยมอยีกเหมือนกันโอ้ท้านหลวงพ่อเนี่ยพูดอย่างเนี้ยแหม ผู้ที่ด้ยินได้ฟังเนะี่ยมีความเห็นว่าอย่างไงแล้วโอ้จะไปพูดทําไม อ, อล้มตาป่วย อ, อล้มตาทั้งก่อนกับเป็นที่รูก้ ก, กันอยู่เ อ, อก็ได้ยินทราบข่ากันมาอยู่หลวงพ่ออินออกมาพูดทําไมอย่างนั้นหรือไม่หรือพอโอยอยากจะฟังอยู่ทางว่าไม่มีพระออกมาพูดมากล่าวเสเลยมันก็เงียบเก๋าจนเกินไปแต่ถ้าว่าหลวงพ่ออินออกมาพูดเอ อ, อพอจะรู้บ้าง ถึงจะไม่ชัดเจนร้อยเปอร์เซนก็ยังพอรู้ว่าเออลงตาวันนี้เป็นยังไงอาการเป็นยังไงอย่างนั้นหรือไม่อันนี้ก็อยากจะให้พวกคณะสัตย า, า ญ, ญาติโยมที่อยู่ห่างไกลถ้าว่าขั้นผู้ใดก็ตามนะหลวงพ่อนี่พูดง่ายๆนะแตาว่าโอ๊ยออไม่เห็นด้วยหรอกหลวงพ่ออินมาพูดก็โทรมาบอกวิทยุของหลวงตาที่บ้านตาแล้วก็ไม่กี่คนนะหลวงพ่อก็จะหยุดพูดว่างั้นเถอะ จะอยู่พูดง่ายๆว่า ง, งั้นเถอะแต่ถ้าเอ้ยมีประโยชน์อยู่หลวพ่อเองเลยหลวงพ่อก็จะพูดให้ฟังนะแต่วันนี้หลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับสถานีวิทยุเพราะคณะสทาญาติโยมก็คงอยากจะทราบเหมือนกันที่สถานีวิทยุขององค์หลวงตานี่ดําเนินการยังไงปฏิบัติยังไงและมีใครบ้างแล้วก็เป็นผู้ บริหารสถานีวิทยุอย่างไรนะอันนี้หลวงพ่อก็ได้รวบรวมแบบคร่าวๆนะมาชี้แจงแล้วมาบอกกล่าวให้แก่ฐฐาฐา้าราชการญาติโยมที่เป็นจิตญาติศิษย์ขององค์หลวงตานะอันนี้หลวงพ่อจะเรียงลําดับเป็นตัวหนังสือให้ฟังเลยนะเจดีย์นะคณะกรรมการอํานวยการสถานีวิทยุเสียงธรรมโดยมีองค์หลวงตามหาบัวญนร์สำพันนนอเป็นประธาน อำนวยการคืโอโลงตาเป็นผู้ประธานอานวยการได้ลงนามแต่งตั้งพระเทรานุเทระจำนวน9รูปเป็นกรรมการอำนวยการโดยลงนามเมื่อวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2 5 4พาได้ทำหน้าที่กำหนดหนโยบายการดำเนินงานให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเผยแพร่ธรรมะไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีสถานีเครือข่ายจำนวน118สถานีไม่ใช่น้อยนะ118สถานีรับสัญญาณส่งกระจายเสียงควบคุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยการปฏิบัติแล้วองค์ท่านไม่ได้ลงมาดำเนินการด้วยตนเองได้มอบหมายให้คณะสง คณะกรรมการนำอำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนท่านภายใต้กรอบนยโยบายที่องค์ท่านกำหนดคณะกรรมการอำนวยการได้มีการประชุมสม่ำเสมอเมื่อประชุมแล้วก็ได้สรุปผลการประชุมนำขึ้นกราบเรียนองค์ท่านทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการออก ระเบียบบริหารสถานีวิทยุการแต่งตั้งผู้อํานวยการสถานีวิทยุการออกอากาศของสถานีเครือข่ายสถานีเครือข่ายหรือท่านใดมีปัญหาอย่างใดก็เสนอปัญหาผ่านคณะกรรมการอํานวยการซึ่งคณะกรรมการอํานวยการมีหน้าที่พิจารณาแก้ไขปัญหาสั่งการตร จนการอุททรร้องทกต่างเพราะการทํางานเรามีระเบียบกติกาซึ่งองค์หลวงตาได้ลงนามในระเบียบบริหารสถานีวิทยุเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศัร 50, กราช2550คณะกรรมการอํานวยการมีองค์ประธานคือองค์หลวงตาประธานสถานีวิทยุคือองค์หลวงตาน เป็นองค์ประธานรวมรวมสิบรูปนะิรูปก็คือหนึ่งท่านพระอาจารย์ปีดาปีดาวัดหลวงพ่อทุยรงชิชุมพูนะอันนี้ก็คือแต่ท่านได้ลาออกนะหลวงพ่อทุยท่านลาออกพอแต่งตั้งเสร็จแล้วท่านก็ลาท่านไม่พร้อมท่านั้นนะองค์ทีท่สองก็คือหลวงปู่ฟักวัดเขาน้ยสามผานท่านกรพระรณภาพแล้ว องค์ที่สก็คือหลวงพ่ออินกำลังพูดที่นี่แหละองค์ที่สี่ก็คือท่านอาจารย์คลาดองค์ที่หท่านอาจารย์นลลงหลวงพ่อหน้าลงปกสะทอนองที่หก็คือท่านาอาจารย์สุดใจ Lions. องค์ที่เจดก็คือท่านพระอาจารย์ชินองค์ที่8ปดก็คือพระอาจารย์จิรวัตรองค์ที่9ท่านพระอาจารย์นพดลองค์ที่สิบพระอาจารย์สมพบคือาอาจารย์ปิว๋วกรรมการอํานวยการไม่มีวาระ การดํารงตําแหน่งแต่อาจพ้นจากตําแหน่งได้ดังนี้ 1. โดยการมรณภาพสองลานสิขา3ได้รับอนุญาตจากประธานอํานวยการให้ลาออก 4. คณะกรรมการมีมติสอในสนิมนต์ให้ออกโดยความเห็นชอบของประธานอํานวยการหน้าที่กรรมการอํานวยการกําหนดนโยบาย กำกับติดตามแม่ข่ายและลูกขาย 3. วินิชัยสั่งการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารสถานีวิทยุและเครือข่ายขอขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับวิทยุเครือข่ายเป็นต้นอันนี้ก็คือเกี่ยวกับสถานีวิทยุนะคือองค์หลวงตาเป็นผู้แต่งตั้งพระที่ดูแลสถานีวิทยุเนะี่ยและก็ช่วยกันส่วนพอเ อ, อ ผ อ, อในพวกเราก็ได้แต่งตั้งนะทั้งพระทั้ง8ป้าองค์นี่แหละแต่งตั้งผ อ, อก็คือแต่งตั้งโยมคุณธนันชัยตุลชนันชัยตังการนุ่งปูนกิจคือเต่าแ ก, ะกะ่ก๊กหฮงเป็นผ อ, อสถานีวิทยุแล้วก็ผอ อ, อนันจันทศิลป์อันนี้ก็คือเป็นผอโรงเรียนเก่ามาก่อนท่านเสียสละมาช่วยสถานีวิทยุของหลวงตา อันนี้ก็คือคณะกรรมการก็แต่งทั้งเป็นรองอรองสักผู่รองผ อ, อ, อแต่ทั้งสองท่านนี้แต่ว่าเข้ามาโดยไม่ได้มีเงินทังเงินเดือนอะไรทั้งหมดไม่มีเงินเบี้ยเลี้ยงอะไรทั้งหมดแต่นอกจากนั้นกับลูกหลานที่ทำงานที่สถานีวิทยุทั้งหมดมี11คนนะสิคนนั่นก็ให้เงินเดือนตามปกติคือได้รับเงินเดือนแต่ว่า สถานีวิทยุของหลวงตาของเราเนี่ย เ, เมื่อ 4-5 ปี4ปีให้หลังพวกเราได้ได้เช่าดาวเทียมไทยคม2ไทยคม2จ่ายปีละ5ล้านบาทนะออบอกกล่าวนะถ้าถ้าหลวงพ่อไม่บอกพวกเราคงจะไม่รู้เหมือนกันนะคือเช่า5ปีนี่ด้ปี4ปีเป็นปีที่4แล้ว น, น, นะปี4 4ปีแล้วเมื่อกี้เนี่ยเดือนเดือนเนี่ย เดือนพฤศจิกาเนี่ยวันที่ยี่สิบพฤศจิกาเนี่ยจ่ายเป็นปีที่สี่แล้วนะแล้วก็หลวงพ่อได้ดูดูการจ่ายบอกว่าปีนี้จ่ายเท่าไหร่เขาว่าจ่ายสี่ล้านเจ็แสนกว่าบาทปีนี้นะจ่ายแล้วนะแต่ว่าปีหน้านี่คงจะจ่ายอีกพอจ่ายผ่านปีหน้าไปแล้วเนี่ยสถานีวิทยุของหลวงตาเนี่ยเช่าเนี่ยไม่รู้จะขึ้นหรือไม่รู้จะลงอีกเหมือนกันนะถ้ามันลงได้ก็ดีนะ ถ้ามันขึ้นขึ้นมาเนี่ยก็นี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายถ้าเมื่อได้ฟังวิทยุโทรทัศน์ของหลงตาแล้วก็ช่วยช่วยติดกันเทศที่นี่นะติดกันเทศเพราะงั้นเดี๋ย อ, อไม่ใช่น้อยนะ อ, อนี่เช่าไทยคม เ, เป็นปีที่สี่นะปีหน้าเดือนพฤศจิกาเนี่ยแหละก็ไปว่าจบจบห้าปีที่เราเช่ามาเหมาจ่ายเพราะงั้นเดีเหมาจ่ายห้าปีแคนี่แหละ อันนี้ก็คือสถานีวิทยุใช่ไตอนนี้มาพูดถึงกองทุนทนี่ยเพราะวันนี้อาตมาภาพได้พูดก็เลยจะพูดพูดให้มันจบๆคือคณะทา ญ, ญาทโจมได้ฟังสถานีวิทยุของหลวงตาหรือโทรทัศน์ของหลวงตาก็เอ๊ะหลวงตาทําไมเงียบคงจะเป็นของฟรีทั้งหมดบ้างนี่พ่อไม่ใช่ฟรีนะหลวงตาจ่ายทั้งหมดทัง้งง้นเถอะแต่เป็นพวกเราเป็นลูกเป็นห ล, นลานหลวงตาก็ได้ฟังแบบฟรีเพางั้นะแต่ตามที่จริงไม่ฟรี คือขาวน้ำข้าวไฟของทางรัฐบาลที่ว่าเขาให้เช่าเนะี่ยมีมากนะอันนี้กองทุนนะี่กองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนหลวงตาได้เทศเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2549พระอาจารย์อินลงพอง่านะ่ได้นำเงินมา1ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทําบุญเข้ากองทุนนี่คือท่านบอกว่าเออศรทานีวิทยุคของเราเนี่ยไม่ต้องมีกองทุนนะหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็เลยนํารวบรวมจิตตุ ป, ปัจจัยมาถวายท่านหนึ่งล้านหนึ่งล้านบาทต่อมาอีกเอาของคุณแม่ชีกแก้วอีกหนึ่งล้านบาทอีกก็ายเป็นอันว่าเข้าเข้ากองทุนของหลวงตานะ คณะสงฆ์มีมติตั้งคณะสงฆ์เป็นกรรมการโดยมีหลวงปู่ลีเป็นประธานนะกองทุนจะมีหลวงปู่ลีเป็นประธานนะมีเงินกองทุนประมาณสิบสามล้านเศษเดี๋ยวนี้นะกองทุนนะที่จะบริหารท่านจะว่าไปอย่างน้อยมากถ้าทำไปได้ถ้าถ้ายางปีนี้บริหารได้เพียงสองปีอยู่งั้นเอะสิบสามล้านจาคำปาล็กขององค์หลวงตาเมื่อวันที่แปด ปุมภาพันพธุษสากราช 2,549 ให้สถานีวิทยุได้สามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อเพื่อกระจายเสียงธรรมองหลวงตาได้มีความห่วงใยต่อไปในภายภาคหน้าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นจึงคิดว่าจะตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น เพื่อนำดอกผลมาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนกันในภายหน้าอันนี้หลวงตาท่านก็ได้พูดและคณะสิทย์ก็ในขณะได้กาเปลี่ยนองค์หลวงตาจากคำเทศและคำปารกขององค์หลวงตาคณะสิทธิ์จึงได้ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนโดยมีกองทุนจดทะเบียนเริ่มแรกห้าแ 0,000 นบาทนายทะเบียน หรือผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้อนุญาตจัดตั้งมูลนิธิเมื่อวันที่9ก ร, รกฎาคมพุทธศักราช2550มีคณะกรรมการดำเนินงานทั้งพระด้วยทั้งโยมด้วยรวม14 14คนบริหารมีองค์หลวงตาเป็นองค์ประธานอาจารย์นรงค์เป็นรองประธานพระอาจารย์สุดใจเป็นรองประธานหลวงพ่ออิน เนี่ยหลวงพ่ออินถวายองนั้ น, นอ่ะเป็นกรรมการเลขานุการขณะนหนลวงพ่ออยู่ในป่าหลวงพ่อยังเป็นกรรมการเลขานุการนะแตเขียนหนังสือก็ยังจะไม่ถูกตัวอยู่วันดียและอาจารย์อรไทยเป็นกรรมการและเหรัญิกอาจารย์พลาดพระ อ, อาจารย์สุชินพระ อ, อาจารย์ทิศวัตรพระ อ, อาจารย์นพดลพระ อ, อาจารย์สมภ พ, พ อ, อาจารย์ปิ๋วและกับขวายมท่นเอ ป่ายมก็คือหมอมรัศวงทองสลิด ท, ทองแถมคุณธนันชัยตังคานุกูลกิดคุณสิริคูสกุลและคุณสมหมายสมทรัพย์เป็นกรรมการอายุการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับจากวันที่9กรกฎาคมห0ถึงวันที่8นะวันที่8กรกฎาคมห้าสี่น่หละปีนี่แหละเป็นปีครอบรอบมูนิทิ4สปีนะัตุประสงค์ ส่งเสริมการดําเนินงานของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักพระพุทธศาสนาหน้าที่ของกรรมการ 1. กําหนดนโยบาย 2. ดําเนินการตามมติที่ประชุมและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิสจัดทารายงานประจําปีและงบดุลต่อนายทะเบียนเป็นต้นแล้วก็ สถานีวิทยุเรือมูนิทีนิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยลักษณ์อัครราชสุขุมารีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธีเมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2550ส่วนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทรงได้รับเป็นองค์อุปถัมภ์เมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2540 นีหละสถานีวิทยุของหลวงตาถ้าจะว่าไปแล้วก็มีค่าใช้จ่ายพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่หลวงพ่อได้เรียนให้ทราบนี่ก็เพียงแต่เป็นการเรียนให้ทราบว่ามีค่าใช้จ่ายแต่ไม่ให้หนักใจแกบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งนะต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็คงจะได้ระดมความคิดระดม กำลังของพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะถ้าว่าพวกเราอยากจะให้สถานีองค์หลวงตายั่งยืนนะจะทำยังไงอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของศิษยานุศิ์ทั้งหลายจะช่วยกันคิดละทีนี่ช่วยกันคิดว่าจะทํำยังไงเนี่ยเพราะว่าอย่างที่พรว่าดกองทัพต้องไปด้วยท้องต้องไปด้วยท้องอันนี้ผ็เหมือนกันนะสถานีของหลวงตาเนี่ยต้องไปด้วยการสนับสนุน องสนับสนุนต้องมีสถานีวิทยุองค์หลวงตาจึงจะก้าวเดินไปได้นะได้แล้วอันนี้ที่พูดมาแล้วก็สรุปลงแล้วก็คือขอให้ลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงตาของพวกเรามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันทุกหมู่ทุกเราไม่ว่าเรื่องสถานีวิทยุไม่ว่าเรื่องการดูแลไม่วรั้วเรื่องวัดวาศาสนาไม่ว่าอยู่ห่างไกลกันขนาดไหนอยู่ประเทศไหนก็ตาม ขอให้มีความรักรักสามัคคีกันหลวงตาสั่งสอนยังพวกเราอย่างไรให้คิดดีทําดีพูดดีหลวงตาสั่งสอนอย่างนอางงั้นสรุปแล้วนะในสรุปแล้วก็คือหลวงตาบอกว่าให้คิดดีไม่ให้คิดดีอย่างไงท่านให้ทําจิตใจให้เป็นสมาธิจิตใจเป็นสมาธิแล้วก็คิดดีเสิจิตใจไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านแล้วก็เมื่อคิดดีแล้วต้องทําดีเอท่านสอนเอง มีศีลธรรมให้มีศีลห้าสำหรับคารวะญาติโยมสําหรับท่ากันท่านกอนสอนให้มใหีให้รักษาศีลสองร้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่ามองข้ามนะหลวงตาท่านสอนเรื่องศีลเป็นพื้นฐานนะถ้าศีลไม่ดีแล้วสมาธิก็ไม่ดีหลวงปู่มั่นท่านสอนลูกศิษย์ของท่านครูบาอาจารย์แนะนำทำคําสอนของหลวงปู่มั่นมาสอนต่อๆมาถึงพวกเราท่านบอกว่า สินข้อเล็กข้อน้อยก็ดีก็เหมือนกับผงผุนทุรีนั่นแหละสินข้อเล็กข้อน้อยอย่าประมาทนะมันเข้าตาของเราแล้วก็บฟ้าฟางได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่เคารพในศินข้อเล็กข้อน้อยสินอาบัตเล็กน้อยเราเอออาบัตเล็กน้อยไม่เป็นไรนั่นแหะเป็นมลทินทํางมนะเหมือนกับผงทุรนะีจะเข้าสู่ตาของเราเราจะมองไม่เห็นคุ ณ, ณธรรมอันลึกซึ้งเข้าไป อันลึกถึงสูงสงถ้าว่าเราไม่อยู่ในศีลธรรมไม่อยู่ในศีลเนี่ยเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มันของเราเนี่ยตลอดถึงองค์หลวงตาเราเนี่ยท่านเง้นหนักมากเรื่องศีลอย่างมือเช้าเนี่ยพระสงฆ์ทั้ง 8-10 8-9 รูปนะลงอุโบสถมือเช้าเนี่ยตั้งแต่ตีห้านะมาลงอุโบสถที่ศาลาแห่งนี้ล้พร้อมกันลงอุโบสถแล้วเนี่ยคืออุโบสถก็คืออะไร ก็คือสวดเรื่องของศีลเรื่องของศีลให้แก่พระสงฆ์ทั้งหมดที่มานั่งแปดสิบเก้ารูป เ, เทบทวนทบทวนเรื่องของศีลศีลของพระนี่แหละอันนี้คือหลวงตามเมื่อท่านยังแข็งแรงอยู่เมื่อสวดปฏิโมกจบลงแล้วท่านก็จะอบรมพระของท่านนะ เ, เน้นหนักเรื่องของศีลเรื่องข้อวัดปฏิบัติควรทำยังไงปฏิบัติอย่างไร ่จากนั้นท่านก็นกนสอนเรื่องศีล ส, สมาธิปัญญา น, ะนี่แหละขอให้คณะสัาญญาตยาธิโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะที่เป็นศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาขณะนี้องค์หลวงตาท่านป่วยตามอายุวัยแล้วก็เนะี่ยท่านยังแสดงความเต็มเตี่ยวความแข็งแกร่งให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นก็ขอให้พวกเรายึดแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาเราเนะ่าพวกเราทุกคนนะ่ะน่ะ แต่เรื่องพวกคนทั้งหลายไม่ต้องพูดถึงหรอกมันมีมากมายลหลายๆอย่างอย่างดงตาพูดให้ฟังนะหลวงพ่อก็เคยแนะนำหรือสอนบอกกล่าวพวกเราเนี่ยโดยมากจะหลวงพ่อจะสอนเป็นชาดกนะะเพราะชาดกมันจําง่ายหลวงพ่อว่าเนะี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวเออ น, นี้วันนี้จะสอนนินชาชาดกเรื่องหนึ่งให้ฟังนะอพูดเรื่องมนุษย์เนลยเออเรื่องมนุษย์นี่หลายเรื่องจริงๆมิันนะั้ ขนาดเลีงฟังแล้วยังกระโดดลงน้ำล้างหูว่างั้นเออเออขนาดลิงลิงได้ฟังเรื่องของมนุษย์แล้วย้งกระโดดลงไปในน้ําล้างหูว่างั้นเออฟังนะซิว่าเลีงฝูงนั้นมันเป็นยังไงจริงกระโดดลงน้ําล้างหูเนอะมีเลี้งมีในพานคนหนึ่งอยู่ในกรุงพาราณสีเงนะแต่ท่านพานพานป่าคนนั้นก็เข้าไปในป่าบ่อยๆว่างั้นไปหาล่าสัตว์ทะได้ไปเห็นลิงตัวหนึ่งอไปเห็นลิ้งตัวหนึ่ง สีขาวนวลวันนแบบึงไงอ๋อลิงตัวนี้มันลิงตัวนี้มันอายุก็ยังไม่แก่มากกำลังเป็นหนุ่มน่าจะจับได้ถ้าจับได้เอาไปให้เอาไปขายให้คนรวยเนี่ยเอยเอาไปให้คนรว ย, เ, ยเราคงจะได้ค่าจ้างอย่างแพ ง, งนะไอในายพรานเขาคิดว่างั้นเถอะพะเห็นอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยแล้วไปเห็นลิลงลิงสวยว่างั้นเด้ลิงตัวขาวนวลวันนะก็เลยพยายามไปดัก ไปจับะไปดักจับไปดักใส่กงลงไอ้เริงตอนั้นมันกระเพออย่งงางไนก็ไม่รู้มันเข้ากลงทีนี่พอเข้ามาในพานก็าเลจับมาจับมาได้แล้วก็เอามาให้เศรษฐีว่างั้นดเด็กเศรษฐีก็เห็นเลิงอู้งามเอาเงินรางวัลให้แกนายพานว่างั้นเด็เอาให้รางวัลแต่นี่เศรษฐีก็เลยไปขังเริงไว้พอกลางดินจากนั้นออกมาออกมาพอมันเชื่องแล้วออกมาเอาก็ามามัดไว้ทีนี่ มามัดเขากับคนนั้นกัมากอะเอาอาหารให้เอาขนมไปให้เอาอกล้วยให้พอเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกันเท่นี่มนุษย์นะคนนั้นไปไงทํามาค้าขายเป็ยังไงขายเงินคําไปยังไ ง, เ, งเพชรนิมจินดาไปยังไงต่างคนก็ต่างมาพูดกันลิงมันก็ฟังเหมือนเดีแต่มันพูดไม่ได้ตัเองแต่มันฟังมันรู้เรื่องหมดว่าโอ้โหทําไมมนุษย์ถึงทำไมยุ่งเนีเดี๋ยวก็พูดเรื่องทะเลาะกันให้ลิงฟังอีกเหมือนเดี๋อว เดี๋ยวกับเรื่องด่ากันให้ลิงฟังอีกเพราะงั้นเดี๋ยวทะเลาะเมื่อบางทีกับพูดลูกด่าเรื่องล Jenna ูกให้ลิงฟังอีกเพรางั้นแต่ไม่ได้ให้ลิงฟังเราพูดต่อกันนะวะบางทีก็พูดเรื่องสามีบั่งภรรยาบั่งบางทีกับพูดเรื่องลูกบังบ่งบางทีก็พูดเรื่องธรรมมาค้าขายบั่งบางทีกับพูดเรื่องเรื่องเพชรเนินกินดาของประดับบัง่งอย่างนี้แหละให้ลิงฟังลิงกับฟัง ทำไมมนุษย์มันเรื่องจุงจริงๆเลลิงขาวตัวนั้นนะมันก็นั่งฟังกันนะพอต่อมาเจ้าของบ้านเศรษฐีนี่ะโอ้ลิงตัวนี้มันนิสัยดีมันมันคงจะคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อถึงแม่มันอยู่มั่งดูเสียรอบมันก่อนเออมันก็อยู่เฉยๆนิสัยดีมากลิงตัวนี้ก็เลยเรียกนายผานคนเก่ามาเอ้ยพผานไอ้ลิงตัวนี้นะดูดูด มันนิสัยดีนะดูดูแล้วมันก็คงจะคิดถึงพ่อถึงแม่มันมากมันเอามานานแล้วไปเอาไปส่งไว้ที่เก่านะเอาไปส่งไว้ที่เก่านะอหมในพานก็ขับในพานก็เอาวลิงตอ น, น, นกลับไ ป, ไปไปโดงอย่างเก่ากลับไปป่าหิมพานอย่างเก่ากันไปไปเห็นมันเป็นห้วยน้ําแล้วก็มันมีพลานหินติดหวังน้ําเหมือนกันนะ เทนี้กับลิงผูนั่นกันน่นโดยมากก็มานั่งจุูพลานเห็นแล้วก็ลงไปกินน้ําอาบน้ํำกลางวันที่มันร้อนเหมือนกันแล้วก็ขึ้นมาหากินไม้หมากไม้เดินในป่าโด่งโพรงไปเสร็จแล้วก็มารวมกันที่หินก้อนนั้นเทนี้กับในผ่านไปปล่อยใช่หินก้อนนั้น่ะลิงท่านนั้นก็ยืนไปเดินอยู่ที่ก้อนหินพวกหมู้ก็เห็นเทนี่โอ้ไปยังไงไปยังไงหายไปหลายปีเหมือนกันลิงทังหลายก็ลุ้มมาหากันลิงมหามาหาตัว ไปอยู่กับคนนะ่ะเป็นยังไงไปอยู่กับคนเหมือนกันแต่ถามถามลิงตัวนั้นเลยลิงตัวนั้นว่าอย่าพูดเรื่องมนุษย์นี่ยุ่งมากเลยเหมนกันเลยเรื่องมนุษย์นี่ยุ่งมากเลยเอาธนาพูดให้ฟังพูดให้ฟังธนาเหมือนกันอยา่ยาอยา่ยาอย่าอยากฟังเถอะอยา่าอยากฟั ง, งเรื่องมนุษย์เลยฟังนั่แล้วปวดหัวเหมไอ้พวกนั้นก็ยิ่งอยากจะฟังอย่างไรไอ้ เรียงตัวขาวนะั่นมันมันอยากมันก็ปฏิเสธใช่ไหมเริงทั้งฝูงมันก็อยากฟังออผลที่สุก็เลยลิงตัวนั้นก็เลยเล่าให้ฟังเอ้ยเขาจับผมไป อ, อยู่ไปมัดไว้นะ่ะผมก็ไปนั่งในที่ห้องประชุมเขาคนนั้นมากะพูดเรื่องนั้นคนนี้มาก็พูดเรื่องนี้เรื่องเขาโพดนะนะโอ้เอปเ็นเรื่องปวดหัวจริงๆเดี๋ยวกับเรื่องสอยเดี๋ยวกับเรื่องแวนเลียวกั เรื่องปัดับเรื่กัเรื่องตุ่มหูเรื่องกับนาฬิกาเรื่องกับเรื่องสามีภรรยาเรื่กัเรื่องนะโอ้โหตายตายตายผมได้ยินแล้วผมปวดหัวพวกลิงโอ้เรื่องมนุษย์มันจุ้งขนาดนั้นเหรอนี่พวกนั่งฟังรอบๆกันเถอะพวกลิงทั้งหลายที่นั่งฟังรอบๆโอ้เรื่องมนุษย์มันจุ้งขนาดนั้นเหรอจุ้งขนาดอะไรโอ้โทษๆข้าได้ยินหูสกกระบกแล้วต่างตัวได้ยินกระโดดลงไปในน้ำล้างหูกันอะ ล้างสิ่งสปกปรกออกจากหัวกันเออวัานั่นแหละเรื่องมนุษย์ไม่ใช่ธรรมดานะีขนาดเลี้ยงกยังยังได้ล้างหัวกันเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านี่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยอย่างไงยังไงก็ให้สัมรวมให้ระ ว, วังอย่าให้มันจุง้งจนเกินไปว่างั้นเถอะเนียสิ่งไหนที่มันถูกต้องเป็นธรรมควรจะทำสิ่งนั้น และก็พร้อมกันให้ระ ล, ลึกถึงความตายไว้อยู่เสม อ, อ, อตายแน่นอนนะทุกคนนะให้สังสมขุนามความดีเอาไว้ตายแล้วไม่สูดีต่างหากเพราะพระเดชพเจ้าท่านพิสูจน์แล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นตรงตาเนี่ยมันก็พิสูจน์แล้วคนนั่งภาวนาที่แล้วกายกับใจอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันเดียวกันร่างกายเหมือนกับพรถแต่จิตใจเหมือนกับคนกับรถนา ม, มาทำเหมือนกับคนกับรถแต่อาศัยกันอยู่ แต่ร่างกายนี่แตกตายสลายแน่แต่ว่านามธรรมตัวนั้นล่ะไม่ตายเนีตามนามธรรมตัวนั้นะให้โง่ก็ได้ให้ฉลาดก็ได้ให้สําเร็จมักสําเร็จผลก็ได้อย่างองค์ลุงตาเนี่ยท่านชําระล่ะชําระโซเฟอร์บริรสุทธิ์ใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วเงี้นแต่ว่าโซเฟอร์ของพวกเราท่านทั้งหลายเือมากสกปรกรกหลงหลังไปหมดเงี้ยเดี๋ยวก็กลุ่ม อ, อกเดี๋ยวก็กลุมใจแล้๋ยวก็โมโหโธโซโกธา เดี๋ยวเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็โกรธอย่งนั้นแหละโซเฟอร์ของพวกเรานะอแต่โซเฟอร์ขององค์หลวงตาของเราเนี่ยอืท่านไม่มีอะไรเดี๋ยวท่านบริบูรณ์ทุกอย่างนะ่ะเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะในเชื่อฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาให้ไปศึกษาดูนะอหลวงพ่อว่าธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่ยเป็นนิยานิกธรรมจริงๆนะหาได้ยาก ในยุคปัจจุบันหาไปได้เลยงา่ายๆไอ้พวกเราศึกษาดูให้ดีมีครบทุกอย่างนวมเทศนาของหลวงตาให้พวกเราศึกษาดูไอ้แล้วก็พร้อมกันกับเมื่อศึกษาเสร็จแล้วให้นำมาประพฤติปฏิบัตินะะให้ดูให้ดูกายดูใจของตอนเองร่างกายของผูกข่าเนี่ยนะยังมาถูดเตือนแล้วกี่ครั้งแล้ววะไอะ้ผมขาวไม่รู้เท่าไรแล้วฟันก็หลดุดตาก็มัวหูก็ตึง เออหนังก็เหียวเนี่ยโยมมาโทษเขาเตือนเตือนเตือนมาแต่เราไม่ยอมฟังนะบางคนถ้าผมขาวก็ยอมผมอีกเพราะนกันตามม่ก็อย่งางหลวงพ่ออินนี่ต้องหาแว่นมาใส่อีกเพมือนั้นแต่ไม่ยอมไม่ยอมเชื่อยมมาโทษเหมือนกันแต่ตามไม่จริงยมมาโทษเตือนแล้วแก่แล้วนะแกไปหาอะไรแกไปหาตายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะฟันหุดใส่ฟันใหม่อีก แต่ตามจริงคนแก่แล้วนะให้สั่งสมคุณงามความดีไปเนออย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอะแก่แล้วนะโยมพุทธเขาเตือนนะเพราะฉะนั้นโยมพูทเตือนพวกเราท่านทั้งหลายให้ฟังและก็พร้อมกันให้สั่งสมคุณงามความดีที่หลวงตาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงตาท่านสอนพวกเรานะ่ยอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอะ น, นพราะหลวงพ่อก็พูดต่ อ, อสอนกันอีกบอกกันอีก เพราะว่าพวกเราเป็นศิษย์เดียวในศิษย์หลว ง, งตาเนี่ยเป็นศิษย์ของหลวงตาหลวงตาแนะนําสั่งสอนอย่างไรกับพวกเราก็บอกกล่าวกันสอนกันแนะนํากันแต่หลวงพ่อนี่ยบอกตัวเองไปอยู่เสมอแต่หลวงพ่อเนี่ยนะเดี๋ยวนี้หลวงพ่ออินอายุเท่าไรแล้วถามอายุหกสิบกว่าแล้วหกสบหกแล้ว น, นะเหมือนกับหลวงตาหลวงตาท่านก็ถามนะบางทีอายุเราเท่าไหร่แล้วเจนี่ เก้าสบปก็ผมมันพอแล้วนะมากละลงตาเออนานๆท่านก็ถามอีกนะอายุของของเราเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยเน่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยุบแล้วเนี่ยท่านไม่ใช่อื่นไกลนะท่านเตือนนะท่านเตือนพวกเรานะอท่านเตือนพวกเร า, า, เอเราบอกว่าอย่าประมาทอายุมันไปเรื่อยๆนะเออแล้วเรามีอะไรบ้างเป็นที่อุ่นใจของเราอุ่นใจเพื่อเพ่นใจศีลธรรมเออศีลสมาธิปัญญา ความบริสุทธิ์ลุกพนะ้นมีได้อย่างที่เป็นที่อุ่นใจเรามีได้อย่างถ้าไม่มีหาหนะหาใส่ตัวเองนะทําไม่หาตัวเองไม่มีใครหาให้นะเออถ้าว่าเราไม่หาให้เราเองะไปตกต่ํากว่เราเองนะไปสูงก็ไปเองเราเราเองนะนี่แหละนี่แหละพุตงตาท่านสอนอย่างนั้นวันนี้ได้พูดให้คณะสัตยทายญาติโยมเป็นแนวความคิด มากมายหลายๆอย่างตั้งแต่ตั้งสถานีวิทยุหรือว่ากองคุณสถานีวิทยุการบริหารจัดการสถานีวิทยุองค์หลวงตาท่านแต่งตั้งอย่างไรอั น, นี้อาตมาภาพก็ได้เรียนให้คณะสถา ญ, ญาติโยมทุกท่านได้รับทราบนะความเป็นมาของสถานีแล้วก็คงจะช่วยๆกันนะพวกเราต้องช่วยกันนะเรื่องสถานีวิทยุจะทำยังไงสถานีวิทยุของหลวงตาจึงเป็น ที่สรงคุณค่าล้วนแล้วจะเป็นธรรมะทางนั้นไม่มีอย่างอื่นเออคือเป็นทางเลือกของพี่น้องประชาชนเรื่องร้องลําทําเพลงเนี่ยทั้งวีทั้งวันทุกสถานีแต่องค์ลงตาเนี่ยมีแต่แสดงธรรมมีกเทศเป็นแนวความคิดให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะแล้วก็พร้อมกันวันนี้ อ, อ, อาตมาภาพเองก็ได้เคยพูด เ, ออเคยบอกกล่าวพระนสทายาิโยมทุกหมู่เหล่า ด้วยบุญกุศลที่พวกเราได้บำเพ็ญมาในอดีตตชาติจนถึงปัจจุบั น, นชาตินี้มากน้อยบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลเหล่านั้นขอให้เป็นพลังเกื้อกูลหนุนขอให้สุขภาพขององค์หลวงตาหายจากโรคาพยาติโดยเร็วพ ร, รันด้วยเทิน